سبيل الر الر ال الله الرحمن الرحيم. จงอัลฮัมดุล illah. นะฮ์มัล له وناستعينه وناستغفره وناعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له و ما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن م ح م د و ر س ل ه اللهم ب m m a bika و ب ك ا أمسينا و, إ ك أ و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ع ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ร่ดีด ا, إ, إ, أ ل ل ิลลาห์ ب ับบ์วบิลอิสลามดีนวบิมุฮั ا ل ัดรัสูละอาลลอฮุมัอีนอาอุบุบิขะมินอัลค م สลิ ا สุอิลคิบ و ีรับบ์ ا ل อุบุบิขะมินอาดับบิมฟินน ن รีวอาดับบิมฟินลคว ر รีอาลลอฮุมะอาฟินีฟีบาดีวะอาฟ ที่น้องที่ร่วมมาซุบะที่รักทั้งหลายก็้วละคำโดยินละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานะครับที่วันนี้เรามาอยู่ในวันที่สิบเท่าไหรสิบสามหรือสิบสีพอบวชไม่ตรงกันนะครับสิบสามสิบสี่นะครับของเดือนระมอตน เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه เวลาที่เรามีเดือนอมาดอนนะเพราะเดือนอมดอนนี่ถ้าไม่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ดูละครไม่ดูหนังไม่เที่ยวไม่จีบผู้หญิงแล้วก็ไม่จีบผู้ชายสายตานี่ต้องลดตลอดเวลาเวลาเจอผู้หญิงถูกอกถูกใจเนี่ยมองได้ครั้งเดียวครั้งแรก ครั้งที่สองเนี่ยให้ลดสายตาให้ต่ําลงถามว่าทําได้ไหมคนโมมินทําได้แต่คนแขกทําไม่ได้เหมือนกันผู้หญิ ง, งก็เหมือนเจอผู้ชายที่หน้าตาเข้าตากรรมการเนี่ย <c oughs> ก็อนุญาตให้มองได้ครั้งเดียวนั้นแหละครั้งแรกพอครั้งที่สองก็ต้องก้มหน้าไถาตอนก้มหน้าเนี่ยมันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกตอนนี้ไปฝึกตอนแกๆแ่ๆจะไม่มีทางแล้วก็ มันต้องฝึกตั้งอายุสิบสามสิบสี่สิบาสิบหกสิบจะต้องฝึกทุกวันไม่ใช่ว่าอาลรอให้สายตามาจะมองได้ทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่สายตาที่มองแล้วมีบราระกัดมีอยู่สามสี่รายการเท่านั้นแหละหนึ่งมองอัลกุรอานนี้จ้องมองอัลกุลกรอานนี้ถ้ามีสายตามีบราระกัดสองมองใบตุลลอ สามมองน้ำทะเลสี่มองชั้นฟ้าห้ามองต้นไม้ที่อยู่รอบๆอบ้านเราสีเขียวๆหกมองหน้าพ่อและแม่เนี่ยทำไปสายตานมีบรากาศนอกนั้ น, นี่ต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยนะชั้นรมาอนมาเนี่ยเดือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหูก็เือนการต้องฟัง เรื่องที่ที่มีประโยชน์เรื่องนินทาใส่ร้า ย, ายฟิตธนาเนี่ยอย่าไปฟังเยอะอย่าไปฟังทิ้งๆปะนะครับขอบคุณอัลลสุบฮานูวาตาลาที่เราเนี่ยทบทวนอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอฮฺนะอาทิตย์ละชั่วโมงบางคนก็ น, นั่งตั้งอกตั้งใจบางคนก็หลับหลับไปยังไม่อ่านเนี่ย แค่นันการหลับนี่มันมีที่มาจากอัลลอฮ์กับนุ่งนอนหลับที่มาจากกับกับไซตตอนน่ะสังเกตได้ง่ายๆที่ไหนมีการสอนศาสนาฟังคุตบะวันศุกร์นั่งหลับนั่งแสดงวันหลับนั่นมาจากไซตตอนนะครับหลับที่มาจากไซตตอนเนี่ยนั่งฟังคุตบะก่อนหลับนั่งอ่านกุรอ่านหลับ นั่งฟังศาสนาหลับดูละครตาตื่นไอ้ตื่นนี่มันจะมาจากอัลลอฮ์มันจะใช่ตอนแต่นี้ไอ้หลับที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยเวลาเป็นผุนหลักผู้ใหญ่หน่อยนะมีงางมีการแล้วก็ถูกดาบบ้างฟิตธนาบ้างใส่งใส่ได้มาเต็มไปหมดเอะเราก็คนดีทำไมถูกเล่นงานเยอะพอกลับมาถึงบ้านพอหัวถูกหมอนหลับ นั่นก็เรียกว่าหลับนี่มาจากอัาลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ขณะนี้นั่งลหลับนี่มดสิ้แล้วกำลังอ่านกุรานอยู่นี่นงางหลับแสดงวันลับนี่มาจากไหนมาจากอะไรมาจากไซตตอนสังเกตง่ายๆนะขอบคุณอัาาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ที่เรามาทบทวนกุรานนะวันนี้มาถึงสุร้อันนูรสุรบที่สิบสอันนูรเนี่ยเป็นสุรบที่แปลว่าแสงสว่างหรือรัศมี ท่านัยนาอุมัตเนี่ยเขียนจดหมายนะไปหาข้าราชการสมัยท่านปกครองอยู่เนี่ยท่านบอกให้สามีเนี่ยให้บอกภรรยาบอกลูกสาวที่บ้านให้อ่านสุรนุ์เยอะๆผู้หญิงเนี่ยมุสลิมฮะต้องอ่านสุรนุชเยอะๆเพราะเข้าสอนกูอ่านสอนเรื่องมารยาทของผู้หญิงทั้งหมดวางตัวยังไงผูดใจ ย, ยังไงนินทาเป็นยังไง สอนเะนั้นต้องอ่านกูอ่านซูราะนุษย์เยอะๆนะฮารู้ความหมายด้วยไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะขอบคุณอัลลอ์นะวันนี้เรามาถึงซูราะที่ยี่สิบสี่อายาที่สิบสองนะครับอายาที่สิบเอ็ดอ่าทวนอายาที่สิบอ็ดนิดหนึ่งนะอายาที่สิบอ็ดนี่อธิบายอย่างนี้ อินนั่ล่ะดี ا َ้เจ้าอุบลิฟกีอุ ا บะตุมิ่งคุมลาตัพซา ر ุห์ชั ل รัลลั ل ุม م ัลฮุวะขัยร ا ลลักุมลิคุลิม م ิมมินหุมักตัพ แท้จริงบรรดาพวกมูนาฟิกพวกสับปรับผู้ปั้นเรื่องเท็ปั้นเรื่องเท็เกี่ยวกับท่านหญิงไอชะาเรอลอลลอวันฮะอุสบ้าเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่เ้าว่าอุสบ้าเนี่ยหนึ่งถึง1 0 0พันก็ได้เป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งมีประมาณสี่คน ที่ปั้นเรื่องเท็จใส่ร้ายท่านหญิงไอชะมีหัวหน้าชื่ออับดุลลอห์บินอบับเป็นมุนาฟิกนะและมีมุสลิมอีกสามคนเนี่ยเดินตามคนมุนาฟิกผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายชื่อฮัสซานอีกคนหนึ่งชื่อมิสตา มิสต็ห์เนี่ยเป็นญาติของท่านอบูบักติยัลลอฮันะครับและผู้หญิงอีกคนชื่อฮัมนะสามคนเนี่ยกระพือข่าวว่าถ้าหญิงอาชาเนี่ยมีชู้นะครับเป็นเรื่องกโกหกทั้งหมดเลยอัลลอฮสั่งบอกว่าละตัซับูฮฺชาลรละกุมจงอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องชั่วแก่สุเจ้าแก่ครอบครัวของอบูบักต อยากคิดว่าเม็นเรื่องชั่วนะบัลลูว่ค่อยรุนละกุมแต่ว่ามันเป็นการดีสำหรับสุขเจ้าเนี่ยวันนี้ต้องการจะอธิบายเรื่องกระเพือข่าวการกระเพือข่าวเนี่ยเป็นเรื่องเลวเช่นเรารู้ข่าวคนคนหนึ่งว่าทำโน้นทานี้ของที่ไม่ดีเรื่องย่างยิ่งก็คือเรื่องเจ้าชู้บ้างเรื่องจีน่าบ้างแหละ แล้ว เ, าเอาข่าวของเขาไปไปไปไ ป, ปพือไปคุยไปเล่าคนเล่าคนนั้นคนนั่นคนนั้นคน น, นั้นเล่าหมดออกจากปากเราหมดเลยไม่ใช่ความดีนะเป็นความชั่วนะครับฉะนั้นเนี่ยนิสัยเดิมๆของพวกเราที่ไม่มีาศาสนาไม่เรียนาศาสนามาก่อนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคุยเรื่องไร้สาระเรื่องตาหนิคนว่าคนดูถูกคนเหยียดหยามคนนี่ ออกมาจากปากเราหมดเลยน่าจะออกปากจากจากปากลิ้ยงบ้ก็ได้ปากเป็ดปากไก่บ้างแต่ว่าด้านออกจากปากมนุษย์คนอ่านกุรอานนี้ออกปากจากปากขังที่ิกาวอัลลอฮหกอัลบาสุบฮานอัลลอฮฺไม่น่าจะออกจากปากคนที่ดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานอูวาตาลาน่าจะออกจากปากแพะแกะวัวไก่นะครับเอามาดูอายะที่สิบสองวันนี้นะ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأمفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الحمد لله الله أكبر ลาโวล่าอิ้ดสัมยตุมูฮุษฎันนัลมุเอมินุนแลไมรือมิไัน อิสามิอาตูมูฮูเมื่อพวกเขาได้ยินซามีอ่านแปลว่าได้ยินซาเมตมูฮูเมื่อพวกเขาได้ยินได้ยินเรื่องทั้หญินอิชาว่าทาชู้เนี่ยเรื่องดีหรือเรื่องเลวเรื่องเลวทั้งหมดร อ, อเตือนนะรอนหน้ารอนนาแปลว่าคิดคิดเปรียบเทียบ อัลมูมินูนผู้ศรัทธาชายทั้งหลายวัลมูมินาตผู้ศรัทธาหญิงทั้งหลายบิอัมฟุซีฮมกับตัวของพวกเขาเองคอยรอนในทางที่ดีวก็กรู้พวกเขากล่าวว่าฮาดาอิฟกุนนี่เป็นเรื่องโกหก โมบีนุนแปลว่าชัดชัดคำแปลโดยรวมก็คือว่าเพราะเหตุใด <c oughs> เมื่อชายผู้ศรัทธาทั้งหลายและหญิงผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ยินเรื่องนี้คือเรื่องเท็จเนี่ยเรื่องใส่ร้ายท่านหญิงหญิงไอาชาซึ่งเป็นภรยาของท่านนาบีเป็นภรยาสาวของท่านนาบีคนเดียวนะ่ะ พอเรื่องได้ยินเรื่องไม่ดีมาเนี่ยนี่อัลลอฮ์นะสอนค น, คนทั้งคนทั้งโลกเลยนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอร์แหละเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงแห ล, ล, ละผู้ชายเนี่ยทําไม <c oughs> เมื่อได้ยินเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องข่าวเท็จเนี่ยเรื่องการปักปัก๊มตัวหญิงไอาชาเนี่ยจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองทําไมไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวพวกเขาเองแม้แต่ว่า ถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราเอะพระเจาจ ะ, จะทํำยังไงมี่สอนให้คิดนะม า, จากจะชั้นฟ้านะบอกว่าเมื่อได้ยินเรื่องของคนหนึ่งของคนใดก็าตามเรื่องใส่ร้า ย, รายเรื่องข่าวเท็จเรื่องปรับปรําเรื่องชั่วช้าเนี่ยให้คิดทั้งตัวเราเองก่อนใครสอนให้คิดอัลลอฮ์นะคิดทั้งตัวเราเองก่อน แล้วก็คิดยังไงรู้ไหมค่อยรอนต้องคิดในทางที่ดีเอาไว้ก่อนรอลลอักบารนี่จะหาคําสอนของใครที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วเรงสังเกตนะพี่น้องมุสลิมด้วยกันหมดเลยเนะี่ยในโลกนี้มีอยู่สองกลุ่มนะกาเฟ่กับมุสลินอิสลามเป็นมุสลิมมุสลิมกับากาเฟ่เป็นสองกลุ่ม เราคนกาเฟนจะมีอยู่ห้ากลุ่มเดียทั้งหมดเนี่ยศัตรูของอิสลามเนี่ยมีอยู่ห้านะอะไรบ้างยัฮูดีนัสรอรีแล้วก็กาเฟนมุสลิคมุนาฟิกหกลุ่มตั้งแต่วันท่านนาับียังมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และเรื่อยไปจนถึงวันเตียมะมีอยู่ห้ากลุ่มเนี่ยต้องการที่จะดับรัศมีของอิสลามให้จบจากโลกดุนยาไปนี้ เขาพยายามทำกันทุกกลุ่มเลยครับถามว่าทำสำเร็จมั้ยไม่สำเร็จเพราะอัลลอฮฺพูดในกะฟิรกุอานไว้หลายอายาดด้วยกันอ่าเช่นริยุสฮิรัหูอัลลอฮฺดินิคุลลิฮิวะลาหุกะริฮัลกับฟิรุนอิสลามนี่จะต้องอะไรนะจะต้องชนะ อัล ด, ดีนุคุลิศาสนาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยอะไรจะเด่นที่สุดอิสลามวาแลาวการิฮัลกาฟิรุนถึงแม้ว่าคนกาเฟนจะชิงชังอิสลามแค่ไหนก็ตามอิสลามจะต้องอัลลอฮ์จะต้องเจริญเจริญเจริญคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัว เราประคองตัวให้ดีกว่าแล้วกัน <c oughs> ตัวใครตัวมันดูแลตัวเองให้ดีเรื่องใหญ่ก็คือเมื่อได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับมุสลิมด้วยกันอย่าเพิ่งนึกในทางที่ชั่วแต่ให้นึกในทางที่ดีเอาไว้ก่อนใครสอนครับอลัลลอฮ์สอนแล้วคิดอย่างนี้เนะผลแลบุญมีไหมมีครับแต่ยิ่งข่าวโทรศาโท์มาเล่า คนนั้นยังงั้นยังงั้นยังงนยังงั้งงงงนนใจนึกไม่ใช่โกหกคิดดีก่อนไม่ใช่เรื่องที่เล่าเนี่ยไม่ใช่ก็คิดดีคิดตรงกันข้ามเอาต่อมานะว่ากอลูฮาザอิฟกุมมูบีนและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกชัดๆอัลลอฮฺให้หมานี่ยอัลลอฮฺสอนนะ ได้ยินข่าวเรื่องไม่ดีเรื่องปักปรำเรื่องข่าวเท็จเรื่องการใส่ร้า ย, ายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยเหมือนมีคนเล่าให้เราฟังเนี่ยครั้งแรกให้คิดยังไงคิดว่านี่เป็นเรื่องโกหกต้องคิดดีเอาไว้ก่อนเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเหมือนตัวเราเองเหมือนกันวันนี้แทนที่จะหลงเชื่อแล้วก็รีบ ตัดสินใจยื้อใจร้อนกล่าวหาเลยเออมันเลวโอ้เราไม่เกียดอยู่แล้วในใจเนี่ยพอข่าวไ้ที่มาใส่เลยใช่เลยคนนั้นเลวจริงๆอย่าอัลตราปากเราเพราทั้งหมดนั้นอลลอตคิดคิดบัญชีหมดนะ่ะอลลอตลงโทษหมดเมื่อกี้บอกบอกชื่อไปแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวนะครับคนแรกก็คืออัมดุลล้อชื่ออัมดุลล้อเนี่ยนะ แต่ว่าเป็นมุนาฟิกแล้วก็คนที่ลูกน้องมีอีกสามคนนะเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยเนะี่ยชื่อมิสตอคนหนึ่งอีกคนนึงชื่อฮัสซานและอีกคนนึงชื่อฮัมนาที่เป็นผู้หญิงฮัมนานี่ย น, น่าจะเป็นแม่ของมิสตอเห็นไหมว่าเป็นครอบครัวเลยทําลายคนทําลายภรรยานาบีทําลายครอบครัวนาบีมุฮัมมัดส่องรอหนึ่งอุษม อาที่นี้ถามว่าท่านหญิงไอชาไปไหนถึงถูกถึงถูกเล่นงานว่าทมชู้เนี่ยออกไปทำสงครามคือท่านท่านอาบีนี่นะจะออกสงครามเนี่ยพาภรรยาไปด้วยทุกครั้งแต่ในการไปเนี่ยเขาใช้วิธีจับฉลากจับฉลากก็เชื่อหิงไอชาก็ออกมาก็ไปด้วยกันไปทำสงครามครั้งนั้นนะเป็นสงครามที่ ที่ได้แพ้มาต้องห้าร้อยหันกว่าตัวสงครามมุสลินะครับเราได้แพ้ได้แกะมาได้เยอะชนะชนะสงครามมาส่วนใหญ่นบีทําสงครามเดีย๋ยชนะหมดที่แพ้ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะชนะทําไมถึงชนะเลยพี่น้องเพราะว่านาบีกับสวบาบานาบีตอนออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้ออกด้วยท่าทางที่ตะกรมบดเยอะอยิงจองของไม่มีครับ ออกจากบ้านเนี่ยโดยหัวใจที่ทําเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยและปากเนี่ยจะริกรุ่นล่อตลอด س ุบ ا ن อัลลอฮ์ล่าฮัมดุลิลาลาฮ์ลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบะดจะไม่คิดเรื่องร้ายและอัลลอฮ์ก็จะชี้นําตลอดเวลาเพราะว่าโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาในขณะที่ศัตรูของอิสลามเนี่ยเวลาออกไปทําสงครามเนี่ยประชาจํานวนทหารก็เยอะกว่าเวลาออกนี่ออกแบบ โอหังตะกำพุตเยอะยิงจองห้องโอสารพัดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเราต้องนำเอาความรู้ตรงนี้นเอาไปใ ช, ช้ชีตประจำวันนะจะออกจากหอพักจะออกจากบ้านทำไปไหนต้องนึกครับเรามาเนี่ยออกไปเพื่อไปทำงานาศาสนาของอลัลลอฮฺเวลาจะออกจากบ้านต้องนึกดวอาเยอะดวอาออกจากบ้านอาน่านวปล่า บิสม er ิลลาฮิร์ราะห์มะุลลอฮิวะลาฮฺวะลวะลาคุวะจีลาต้องนึกครับขึ้นรถต้องอ่านต้อาอีกจากกุญแจบิสมิลลาฮ์ต้องนึกตลอดจะขายประตูบ้านออกบิสมิลลาฮ์เห็นหน้างคนให้ยิ้มม่ทักก่อนสไมล์แอนสลาムคือต้องเอาสุนนะนบีมาใช้ทั้งหมดในชีวิตประจาวันของเราถึงจะมีบารยกาศนะและอย่าออกใช้ปทําำลายคนนั้นจะไปด่าคนนั้นอย่านึก นึกว่าฉันจะออกจากบ้านเพื่อเอาอิสลามเนี่ยไปบอกคนไปเตือนคนไปเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮสุบฮานะหูวดะล้ต้องออกในรูปนี้นะครับอธทีนี้เมื่อเมื่อกลับตอนขากลับเนี่ยตอนขากลับมาเนี่ยอกยองคาราวานเนี่ยกองกองทัพนี่ละก่อนจะถึงมดินนาอยู่แล้วเนี่ยก็อจอดพักนางก็ไปทาธุระส่วนตัว พอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าสายสรอยนี่หายนางก็เดินไปหาอีกทีหนึ่งพอกลับมานี่กองคาราวานไปแล้วกองทัพไปแล้วนางก็นอนอยู่ตรงนี้รอว่าเดี๋ยวค ง, คงกลับมารับมนะันนะเสร็จแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยแต่ท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่วางแผนฉลาดมากคืออัลลอฮ์ช่วยให้ท่านซอฟวานเนี่ยเป็นซอบาคนหนึ่งค่อยเดินตรวจมาเนี่ย ให้เดินตัวมีของหลนบางไม้มีอะไรตกหลนบางไม้ก็ขี่อูดมาก็มาเจอดินอิชาเนี่ยนอนหลับอยู่สิ่งแรกที่ท่านพูดก็คืออินนาลิลล่ะฮิวะอินนะอิไลฮิรอจอนแล้วก็เอาอูดมาจอดแล้วก็ให้นางยิชา ข, ขึ้นบนหลังอูดแล้วก็จูงอูดทุกทางไปถึงนครมาดินพาพอไปถึงนครมาดินาเสร็จป้าบข่าวที่ออกจากปากก็คือท่านอับดุลล์บินอูไบ ปาว่าเนี่ยนางแอบทำชู้ถัาจริงคนที่จะประกาศว่าใครทำดีนาต้องมีพยานกี่คนที่เรียนมากี่คนนะสี่คนเห็นไหมต้องเห็นจ่าจะเห็นไหมนี่ไงเห็นยังครับหมนาโมนาโมนาผูกขนโมนาโมนาเฟกชื่ออับดุลละเบนอุบัย แล้วก็ลูกน้องมีอีกสามคนเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นแขกทั้งหมดนี่แหละแต่เป็นซอบ้านนบีนะเนี่ยเล่าให้เพื่อนร้องฟังว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยนบีแล้วยิ่งสมัยนี้น่าจะมากกว่าพราะคนมันห่างห่างอะไรครับห่างาศาสนาต้องเยอะกว่าด้วยนะอังกอรคอยต้องอาตลอดอยาให้พวกเราที่ฟังข้ออ่านี้นะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่เวลาเห็นสังคมมุสลิมนะครับ ได้รับข่าวเรื่องไม่ดีต้องนึกก่อนนึกในทางที่ดีกว่าบอกไม่ใช่เรื่องโกหกต้องพูดแบบนี้ก่อนนะมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่ครอบครัวนะครอบครัวอายุคร อ, อบครัวอายุเนี่ยเป็นชาวบ้านนบีนะอายุเนี่ยเป็นบ้านแรกที่ท่านนาบีมาอาศัยอยู่เมื่อตอนนบีอพยพจากนครมกรักกะปาถึงที่นครมดีนาเนี่ย บ้านหลังแรกคือสอ่าบ้านอยากให้นบีไปนอนที่บ้านหมดแล้วแหละแต่พวกเราวันนี้อยากให้ต๊ะครูเ ก, กดีๆมันอยู่ที่บ้านนบีบอกไม่ได้ให้ดูอูดชันถ้าอูดของฉัลเนี่ยไปนอนอยู่หน้าบ้านใครก็บ้านนั้นแหละฉันจะอาศัยพอถึงเวลาอูดก็ไปนอนหน้าบ้านท่านอายุอันซอดีแล้เดี๋ยวรอของอันถูนบีก็นอนอยู่ที่บ้านอายุนี่แหละ บ้านอายุหลังนี้แหละเมื่อเกิดเรื่องนี้คุยกับภรรยาสามีคุยกับภรรยาบอกว่าเธอเห็นว่าเป็นยังไงทัญิงออชานี่มีข่าวออกมาแล้วภรรยาตอบว่าโกหกทัญิงอาชาเป็นคนดีนี่มันต้องครอบครัวไปมันต้องมันต้องต้องคิดแบบนี้อย่าคิดเหมือนคนกาเ ฟ, ฟคิดอยาคิดบางคนมนาเฟ่ ค, คิดต้องคิดว่าทญิงอาชา สะอาดบริสุทธิ์เป็นคนดีครับนี่ไหมะยดึดบันทึกไว้เลยนะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวของอายุอันสอรีสามีภรรยาคุยกันถึงความบกพร่องปากปรมไปถึงอาชีพเป็นยังไงไม่จริงครับใครพูดนะทั้งภรรยาและสามีบอกไม่จริงเห็นไหมเนี่ยต้องเอาเรื่องอย่างนี้มาไวนะ้ในครอบครัวของเราภรรยาต้องคิดดี สามีก็ต้องคิดดีก็คุยให้ลูกฟังในทางที่ดีๆทั้งหมดนั่นแหละอย่าคุยเรื่องไม่ดีให้ลูกหลานฟังบั้นนั่นเลวบ้านนั่นเลวบ้านเราดีที่สุดอย่าไปคุยให้ลูกฟังต้องคุยทุกคนดีหมดนะครับเราชั่วกันขอนุอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะฮะละอตัตตอมาครับอายะที่เท่านี้อายะที่สิบส า, นะ า, า 13. ผมอ่านในภาษาอูรดูเนี่ยนะ คำสรุดูนี่เขบอกว่า ม, มุสลิมยให้อับเน ม, มุสลิมไปเบนกัสัต น, น่ซุนซนนี่รักเขออนฟังเด็ดหนึ่งนะสรุปก็คือให้มุสลิมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยคิดถึงมุสลิมในทางที่ดีเอาไว้ก่อนนะ มุสลิมกับมุสลิมด้วยกันนี่นะต้องคิดในทางที่ดีกันไว้ก่อนเวลามีข่าวมานี่ใครสอนนะท่านนาบีสอนอัลลอฮ์สอนนะครับอันนี้ในคัมภีรคุณอ่านนี่อัลลอฮ์สอนอย่างนี้นะเช่นท่านทั้งหลายอยา่าอย่านินทาดูใช้ภาษานะลาตัลมิซูอังฟูซกุม ท่านทั้งหลายจงอย่าว่าร้ายนินทาตัวของสูรเจ้าเองเข้าไหมรัชนินทาคือสารการเนี่ยอัลลอฮฺสุ่งในเบบีกรูอานนะาตัลมิซูอัลฟุสกุมท่านทั้งหลายอย่านินทาตัวของสูรเจ้าเองตการจะอธิบายยังไงมุสลิมเป็นพี่น้องกันเป็นเรือนร่างเดียวกันถ้าเรานินทาเขาเท่ากับ น, นินทาใครนินทาตัวเองเข้าไหมนั่นกัรูอ่านอย่างน้อยมีสามสี่อายะ ส ล, ลิมอะลาอัลฟุซิกุมเวลาพบพี่น้องมุสลิมเนี่ยอัลลอฮฺสั่งนะให้ให้สลามกับตัวของสุเจ้าเองมาถึงให้สลามซึ่งกันและกันแต่ภาษาที่ใช้เนี่ยให้กับตัวเองส ล, ลิมอะลาอัลฟุซิกุมท่านทั้งหลายจงให้สลามกับตัวของสุเจ้าเองมาถึงซึ่งกันและกันแต่เวลาใช้เนี่ยใช้ภาษาเนี่ยอัลลอฮฺบอกบอก เขา อ, อ่านละคนที่รู้เรียนนะฮูอารออัลบ ะ, ะทำไมอารออชาอย่างนี้สันเลโมอาลาอัลฟุเซกุมลาตะลาตุคริยูอัลฟุเซกุมมินดียาดีกุมอย่าไดนะอย่าขับไล่ตัวของสุเจ้าเองออกจากบ้านของพื่น้องของสุเจ้าเราไล่มุสลิมบานนี้ออกจากบ้านไปอยู่นอกนอกนอกนอกหมูบ่บ้านอื่นถ้าขับไล่ตัวเองออก เนี่ยภาษาจากอุนาจะสอนให้เราเป็นพี่น้องกันตลอดเวลานะอาต่อตามาอายะที่สิบสามเราจาอัลเลฮิบอัลบาติชูฮัดะฟาอิซัลัมยะตูบิชูฮัดะฟาอุลัยกะอินดัลลอฮิฮุมุลกาดิบุน ล اؤ ล ا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله أكبر ดูศัพนะ جاء ว์ เราละท่ไหนเขาไม่นำมาบีอรบารบะฮ์อรารบะแปลว่าสี่ชูฮัดะหมายถึงพยานชูฮัดะมีสองความหมายแปลว่าพยานหรือแปลว่าคนที่ตายช ه ีดเรียกว่าชูฮัดะผมมีหลานชื่อชูฮัดะนะตั้งชื่อชูฮัดะเพราะนะครับว่าชูฮัดะในคุรานมีประมาณ9้าครั้ง ชูฮัดาชูฮัดามิจะหมดเก้าคังบวกันนะครับนะครับในอัลกุรอาน <speaking in the world> ลาอลาจาอูอัลัยฮิบิอัลบาติชูฮัดะชาไหนพวกเขาจึงไม่นำพยานสีคนมายืนยันว่านางอาิชานั้นทำผิดทำไมไม่นำพยานมานี่พยานไม่มีมีแต่ปักปัมปักปังปังปกปัมอย่างเดียวเห็นไหม ผมมองว่าต้องมีพยานจะใส่ร้ายใครว่าทำโน้นทำนี้ทำดิดงศีนาเนี่ยต้องมีพยานกี่คนนะสี่คนฟาอิราลายะตูบิ ช, ชูฮะดะและเมื่อพวกเขามีได้นำพยานสี่คนตามที่อัลลอฮได้กล่าวไว้เนี่ยนะคนนั้นเป็นยังไงครับฟอาอูไลกะอินดัลลอ ผู้มุลกาดีบูญการะะิบแปลว่าโกหกดังนั้นอูลาญิกาแปลว่าเหลา่านี้อินเดลลอในทัศนะของอัลลอห์ผูมุลกาดีบูญพวกเขาเป็นคนโกหกปั้นเรื่องเท็จขึ้นมาคนที่ปั้นปันเรื่องเท็จ น, น, น, น, น่ะดีหรือไม่ดีเลวเห็น ไ, ไหมนี่อัลลอฮ์สอนเลยนะครับดรงนั้น การที่จะใส่ร้ายคนคนหนึ่งหรือปรักปรามคนคนหนึ่งว่าทำนู้นทำนี้ทำเป็นหนุงสีนาต้องมีพยายกี่คนนะสี่คนถ้านำพยานมาไม่ได้คนนะั้นเป็นคนโกหกก็หก <c oughs> นี่นะตรงนรกหมดอ่ะอัลลอเล่นงานหมดอ่ะแต่อัลลอเมตานะที่ไม่ลงโทษบนดุนยาเนี่ย ในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดยังกับโยนนบียุคยุคก่อ น, อน ไ, มไม่เหมือนกันนะอยู่คนยุคก่อนถ้าทําอะไรผิดนะอัลลอฮ์ลงโทษเลยนะแต่ในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอย่างน้อยมีสองอายะประกรันเอาไว้อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนทําผิดขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่นี่นบีมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษอันที่สองอัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนที่ทําผิดขณะที่ มุสลิมบางกลุ่มกำลังเดินต่อ ว, วาฟอยู่ที่กะบะเดินต่อว่าว า, วางะไรนะโร บ, บิร์ฟิลลีวาลิวาลีได้อขอดุทิให้กับพ่อแม่ให้กับตัวเองขอตรงนู้นคนทำชั่วอยู่ในประเทศต่างๆของโลกโลกโลกใบนี้อลัลลอประวิงเวลาเอาไว้ไม่ลงโทษไอประวิงเวลานะ่ดีนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาให้เขาไดเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเอง แล้วก็เปลี่ยนแปลงซะเอาล้อก็เมตตาครับจะที่ทหาก็าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยทําบาปโยงกระทั่งตายนี่นะโอ้โหนี่แน่นอนที่สุดกนะ็ะจะเสียใจที่สุดจะเสียใจตอนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยเห็นมลรายการ ล, ลงม า, มาถอดวิญญาณเนี่ยโอ้โหเล่าให้พวกเราฟังแล้วใช่ไหมมีมุสลิมอยู่คนรับอิสลามเนี่ยไปเฝ้าไขา้ตัวอายุแปดขวบ คนตาเขาเนี่ยนั่งไม่สบายกำลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยอย่าเอาฉันไปทำอย่างเงี้ยยกมือขึ้นแล้วก็หงายหลังตึงแล้วก็วิญญาณออกจากร่างไปเลยแ้วผู้หญิงคนนี้นะอยู่ในใจประมาณสิบกว่าปีหรือสิบห้าปีเนี่ยเรียนศาสนาพุทธคำถามนี้ตอบไม่ได้้าอยู่ศาสนาคริสหาคำตอบไม่ได้พอมาเจอเป็นมุสลิมภัพบ ได้ยินดนโอ้ใช่แหละคนแต่วิญญาณจะออกจากร่างมาไลกามาเอาวิญญาณเห็นหมดเลยรับอิสลามเรื่องจริงกับผู้หญิงยังอยู่เนี่ยตัวหลังจะเชิญมาแล้ฮอธิบายให้พวกเราฟังถ้นน า, า, า, นาน่นอย่าใส่ร้ายคนอาจารย้นี่าเตือนนะอย่าใส่ร้ายคนอย่าฟิตรนาคนนะครับแล้วก็มองสังคมมุสลิมต้องมองในภาพที่ดีไว้ก่อนอย่ามองในภาพเลวนะ อาตอมากับายาทิซิบซีวะลาอุล่าฝั่ ي ลุลลอฮิอาลัยคุมวะราะห์มะตุห์ฟิดดุนยะวะลอะฮิร์ะลามัสซักุมฟีมาอาฟับตุมฟีอาลาบุนอาดี ว َلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِي ََ ا ع َِ ي م ไม่มีลาวล่าลาวล่าสามญาติติดต่อกันใช่ไหมสังเกตนะชาไหนพวกเขา ทำไมพวกเขาจึงไม่ฟัดวลลุลลอแปลว่าความโปรดปารานของอัลลอฮ์ความโปรดปารานของอัลลอฮ์เยอะนะที่มานั่งอยู่ในมัสยิดนีดดาา่ความโปรดปารานของอัลลอฮ์จะอ่านกุ่น่อานกับโปรดปรานของอัลลอฮ์จะอ่านบุสลิกีโปรดปารานของอัลลอฮ์มีภรรยามีลูกพระโปรดปรานโปรดปรานทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้อาลัยกุมแก่สูเจ้า วรรคมาตูหูรัชมาแปว่าความเมตตาของพระองค์ฟิดดุนยาในโลกดุนยาใบนี้วัลอาซิรอและก็โลกอาคิรอลามัสซะกุมมสซะเนี่ยแปลว่าการแปลว่าเกิดขึ้นหรือว่าสัมผัสเกิดขึ้นแก่สุตเจ้าหรือสัมผัสเจ้ามาถูกกับเจ้า หรือถูกถูกลงโทษนั่นแหละมาซาเดินไปว่าสัมผัสจับจับสัมผัสมาซาบางอายะคาว่ามาซามายถึงร่วมหลับนอนกับภรรยานี่มสสาซาเหมือนกันอย่างุรานเนี่ยไม่มีใครจับต้องกุรานได้นอกจากมาลิกะที่พามาจากชั้นฟ้านจากอัลลอฮ์มาให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยผู้ที่สะอาดเท่านั้น พาอัลกุรอานมาเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าชัยตอนพาคุรอานมาให้นบีบอกไม่ใช่มาละอิกาผู้สะอาดเท่านั้นที่จับต้องกุรอานได้คาว่ามาซซาที่นี่หมายถึงเกิดขึ้นแก่แก่สูเจ้าอาฟัดตะตุมอาฟัดตะตุมนี่แปลว่าเพลินอยู่กับสิ่งนั้นหรือว่างน่วนอยู่กับสิ่งนั้นอาดาบุญการลงโทษอาลีมุนแปลว่า ยิ่งใหญ่ <c oughs> หรือว่ามหาศาลแปลโดยสรุปก็คือและถ้าหากมิใช่ความโปรดปรานของอัลลอแก่สุเจ้าถ้าหากไม่ใช่เพราะความเมตตาหรือความโปรดปรานของอัลลอแก่สุเจ้าวรห์มาตูฮูและความเมตตาของพระองค์นะครับฟิดุนยาทั้งในโลกนี้ มาถึงโลกดุนยาวันอาซซิรอและโลกอาซซิรอละมัสสะกุมฟีมาอาฟัตตุมฟีฮิอาดาบุนอาลิมแปลว่าไปอาซาบก่อนการลงโทษอาลิมแปลว่าอันยิ่งใหญ่หรือมากมายหรือมหันาลการลงโทษอันมหาศาลก็จะเกิด um, ขึ้นละมัสสะกุมก็จะเกิดขึ้นแก่สู้เจ้า ฟรีมาอาฟัดตัวตุ่มในเรื่องที่สูเจ้าเพลินอยู่กับสิ่งนั้น <c oughs> คําว่าเพลินอธิบายยังไงก็นั่งนินทาคนไนงะนั่งด่าคนนั้นมันเพลินเนี่ยใช่ไหมจริงนะนั่งด่าคนเนี่ยมันเพลินจริงๆนะนะก็อมองซ้ายมองขวาเจอของมันมาหรือเปล่าสังเกตสังเกตพวกเราก็ทํากันอยู่แล้วแต่ว่าพยายามเลิกเถิดพี่น้องมะ ขณะนั้นกำลังนั่งนินทาเนี่ยกำลังเพลินอยู่ง่วนอยู่กับการใส่ร้ายฟิตนะนะครับปักปรำท่านหญิงไอาชาอยู่นี่นะอัลลอฮ์าสามารถลงโทษได้ตลอดเวลาแต่ที่อัลลอ์ไม่ลงโทษเพราะอัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานลงมาประทานราะห์มะลงมาประวิงเวลาไว้ไม่ให้เขาถูกลงโทษนี่เป็นความโปรดปราอันยิ่งใหญ่ เราหน่งที่ทําบาปเนี่ยแต่ Allah ให้เรามีอาหารกินให้เรานอนได้ให้เราขับรถได้ให้เรามีเซ็กได้อ่ะต้องนึกนะ น, นี่เป็นความโปรดปรานของ Allah นะทำไม Allah ไม่เรียนงานทันทีทันใดอ่ะเพราะ Allah สัญญาในัมภกุรอานนะฉันจะไม่ลงโทษเขาเหล่านั้นประวิงเวลาว่าให้เขาได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียนหนังสือกลับเมื่อกับตัวเป็นคนดี อัลลอลบัยิ่งนี่เป็นความโปรดปาดเป็นรักมากที่อัลลอประทานไ้อยากพี่นอ้องทะเลาะกันที่ไม่คืนดีกันมีไหมมีครับทะวลาะอะไรอ่ะทำไมไม่คืนดีกันล่ะอย่าลืมนะอาจจะพูดราชญาตพี่น้องที่จะทะเลาะกันพี่น้องนี่นบีสอนเองนะครับบอกว่าผลงานเนี่ยของเราเนี่ยขึ้นสู่ข้างบน ทุกวันละก็มาดอก็ขึ้นข้างบนน้ำมาก็ขึ้นข้างบนทําความดีทุกประการ ข, ขึ้นข้างบนหมดไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะแต่ถ้าหากว่าความดีของพี่น้องเราเนี่ยขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์ถามว่าเอาเก็บไว้ก่อนยังไม่ลงบัญชีนะตราบใดท่าสองคนนี้ยังไม่คืนดีกันนะจะไม่เอาความดีของเขาใส่ในบัญชีของเขา ลอยอยู่ไนงะเห็นยังทะเลากะกับญาติพี่น้องตัวเองมีตระกูลน่ะตระกูลอยู่เป็นสุขทะเลาะกันตระกูลอาหมาัดทะเลาะกันแล้วก็ไม่คืนดีกันไม่ไปมาหาสู่กันเราส่งไล่ด่ากันเนี่ยทำมาทําเพื่ออะไรถ้าอ่านกลออ่านเยอะๆต้องนึกอดโลว่าเรานี่ต้องคืนดีกับญาติพี่น้องเราต้องไปหาพ่อหาแม่ ผี่ป้านะอาโอ้โหมันย่ายกันไปหมดกันอย่าทะเลาะกันย่าพีกก่นองถ้าทะเลาะกันารางวัลที่เราจะได้รับจากอัลลอ์ยังไม่ถูกบันทึกอยู่ในบัญชีขาดทุนกาไรอ่ะขาดทุนนี่นะเห็นอย่างครับจะนั้นอย่ารอเลยนะครับทำความผิดแล้วให้เรียบ ร, นะร้อยนะรีบตอบบาตัวต่วตออัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลานะครับเอามาดูคาอธิบายนะ คว่าฟาตุลลอ์เนี่ยความโปรดปรานของอัลลอฮ์นาอธิบายอย่างนี้ในตับซีดนะหลายๆเล่มนะอ่านสรุปแล้วนะภาษาอังกฤษอารา บ, บูรุดูนะอัลล์ได้ทรงประวิงเวลาออกไปไม่รีบลงโทษนี่เป็นความโปรดปรานเรื่องที่สองเพราะพวกเขาเนี่ยรับอิสลามมาใหม่ๆอีมานยังไม่ ยังไม่ยังไม่แน่นอัลลอฮฺกระวปินเวลาไว้เรื่องที่สเพราะชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีจึงไม่ถูกลงโทษมีอยู่สามสามอะ น, นะความโปรดปรานปวดป้านหนึ่งเพราะนั่งใกล้ชิดกับท่านนาบีนั่งอยู่ต่อหน้านาบีอัลลอฮฺไม่ลงโทษเหมือนกันเนี่ยถ้าอัลลอฮฺลงโทษแบบฟาโร์โเนี่ย นบีมูซายืนมองอยู่ใช่ไหยแล้วก็ฟาโรนลงทะเลมาน้ำทะเลมาฟาโรตาย่ะทหารอีกประมาณเจ็ดดแสนคนเนี่ยมงมาสัตว์ตายไปหมดต่อหน้าใครต่อหน้านบีมูซาหนักมากเพราะอาลัลลอฮ์ยกยกนบีครับแคะนั้นใครที่ตายต่อหน้านบีเร็วมากครับเหมือนกันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งรับอิสลาม เสร็จแล้วเนี่ยมาอยู่มาทำหน้าที่เป็นอะไรนะเป็นกาติเป็นเสมียนอยู่ประมาณปีกว่าๆสักสองปีแล้วก็ทิ้งอิสลามตกมุตตัดไปแล้วก็ด่ามุฮัมมัดแล้วต่อมานาบีพูดแล้ ว, ว่าเวลาตายอัลลอฮจะไม่รับคนคนนี้พอต่อมาอีกเจ็ดปปีมาตายพอตายภาพเสร็จแล้วเอาไปฝัง พอตื่นช้ากุนมาสวดมาอยู่ข้างนอกกูโบบรรดาคนกาเฟก็ บ, บว่านี้ฝีมือของมุ่ฮัมมัดฝีมือของซอบา้นานนบีอ๋ดาใหญ่คืนที่สองขุดลึกกว่าเก่าอีกพอตื่นช้ากุนมาสวดมาอยู่ข้างนอกอีกนี่ก็ฝีมือมูฮัมมัดฝีมือซอบา้อานก็ด่านบีดาซอบา้านพอคืนที่สามขุดลึกกว่าเก่าสวบมาอยู่ข้างนอกเอ๊ะชักเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาแล้วไม่ใช่ฟีมือของนบีไม่ใช่ฟีมือของซอแบกแต่เป็นฟีมือของอัลลอฮฺสุบานาวูวตาดาเห็นไหมฉะนั้นการด่ากาันเนี่ยไม่ดียิ่งด่านาบี ด, ด้วยเรียบร้อยเลยฉะนั้นคนที่ด่านาบีเป็นอย่างงี้นบีสอนเอาซู น, น่านาบีไปใช้แต่ไม่นําเอาซู น, น่านาบีไปใช้เนี่เป็นการด่านาบตีตรงตรงเลยอย่าลืมนะ คนที่ดา น, นบีไม่จรเดิหรอครับแต่ Allah จะให้อยู่บนดุงาเนี่ยมีบ้านมีมีภรรยามีลูกมีรถมีธุรกิจส่วนตัวเต็มไปหมดแต่บรญกาัญในชีวิตแต่อาคิรอดไม่ ม, มีอย่าลืมนะอย่าขวางสุ น, นัขนบีพยายามเอาสุนาขนบีไปะชยในชีวิตประจำวันนะ <c oughs> ต่อมาครับอายะสุดท้ายอิลตลักาวนฮูบิอัลซนาิกุม وَتَقُولُ نَبِيٌّ أَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ و َ ت َ ح ْ س َ ب ُ ن َ ه ُ هَجِينَ وَهُوَ ع ِ ن د َ اللَّهِ عَظِيمٌ إِذْ ت َ ل ق َ ا ه ُ ب ِ ا ل س ِ ن َ ت ِ ك ُ م ْ ว่าทั้งคุณนับในอัฟวะฮิมมาไรซาลุคุมบีฮิอิล์มในอัฟวะฮิมคุมใช่ใอัฟวฮิคุมมาไซคุมบฮิอิล์ วَ ت َ ح ْ س َ ب ُ و ن َ ه ฮีย ي ว่าหัวอินดัลลาฮิอัลลอฮิอัลลอฮิออฮิอَลลอฮิอัลลอลลอฮิอัลัลลอฮอัลลิอัลิอัลิอัลลอฮลิอัลَอ ท่านกล่าวบิอัฟวาทีฮิกุมด้วยปากของสูเจา้าฟา ม, มุลเนี่ยอัฟวาเรียกว่าปากนะลิซานแปลว่าลิน้นอัฟวะแปลว่าปากมาไลซาลักุมบิฮิไอลข้อที่สูเจ้าไม่มีความรู้วนะัตสับูน่ะซัสบายฮัสว่าิดสูเจ้าคิด ให้ยนั้นแปลว่าเรื่องเล็กเป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องเล็กๆฮัฮัวอินดะลอและนะอัลลอฮอาลเมุนเรื่องใหญ่ตองการอธิบายบอกว่าเมื่อสุเจ้าได้รับรู้เรื่องเรื่องตักปัมท่านหญิงอิชยาอย่าลืมอานอัลกุรอานประทานลงมาสิบอายะเรื่องท่านหญิงอิชยาอย่างเดียวสิบอายะ สิบอายะนะปกป้องหญิงคนหนึ่งชื่ออาอิชชารดิยละของอันฮานอฺอัลลอฮฺประทานคุรอ่านมาสิบอายะวันนี้ยังมีคนยังด่ายังอิชชาอยู่เลยทั้งทงที่คุรุอ่านประทานลงมาสิบอายะมันน่าจะพอเพียงแล้วนะจนกว่าจะถึงวันเกียร์มาแต่ยังมีคนด่าอยู่อัลลอ ะ, ะวิงอา้ดาดา่าก็ด่าไปเท่ากับเก็บความชื่อของตัวเองอยในบัญชีของอัลลอฮฺ อิสตละเ ก, กาหนาหูบีอัลซินาติกุมเมื่อสูเจ้าได้รับรู้เรื่องท่านหญิงไอชาด้วยลิน้นบีอัลซินาติกุมด้วยลิ้นของสูเจา้าด่ากันเองว่ากันเองวาตาคูลูนาบีอัฟวาฮิกุมและกล่าวด้วยปากของสูเจา้ามาไลซาลาคุมบีฮิไรมีข้อที่สูเจ้าไม่มีความรู้ ว่าคนตำหนิคนพูดวิจารพูดพล่อยๆออกมาจากปากเนี่ยนะวตะซะบูนาหูไหยินนแต่ในทัศนะแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องให้ยินแต่ว่าเรื่องเล็กเราพูดด่าคนอื่นเรามองเป็นเรื่องเล็กเห็นไหมอธิามว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ด่าคนอื่นเนี่ย ทา ม, มองจากคำคุรุอาแล้วเรื่องใหญ่แต่ถามพวกเราเป็นเรื่องเล็กอ้าวจะนี้จะเชื่อใครอ่ะเชื่อมนุษย์หรือเชื่ออรถอ้าวเชื่อรถแต่เชื่อรถต้องระวังปากให้ดีแต่วันนี้ไปนะวะตาซาบูนะฮูไฮนั้นและสูเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กวะฮุอินดัลลอฮีอาซิมแต่ในทัศนะ อินดาร์บาทศนาของอัลลอฮ์นั้นอัลีิลมแปว่าเรื่องใหญ่ฉะนั้นเรื่องผู้เรื่องคนอื่นเรื่องใหญ่บาปใหญ่แต่ถามพวกเราเราว่าเรื่องเล็กเอาเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่ออะไรหรือเชื่อมนุษย์อ่าอย่างนันอย่าเชื่อมนุษย์เยยชื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นการนินทาคนว่าคนใส่ร้ายคนเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นบาปใหญ่นะอย่าทําอืม พูดให้สนุกปากคิดว่าโทษไม่มีเป็นเรื่องเล็กเทว่ายินนะอินดัลอฮิอาลีมมีการลงโทษอันรุนแรงนะอัลลอฮ์เป็นบาปใหญ่อัลลอฮฺอัลบอัลพะยานาบีทิงไอชาเนี่ยคือใครคือเป็นภรยาของท่านนาบีด้วย สองเป็นมารดาของผู้ศรัทธาต่อ Allah. อัลลอฮฺหญิงไอชาเนี่นะท่านจะดาาา่าพญานบีท่านก็ด่าครอบครัวนบีนั่นแหละและทำราหัวใจท่านนาบีนี่ไงที่อัลลอฮฺบอกว่าการด่าตาําหนิท่านหญิงไอาชานั้นเป็นบาปใหญ่เพราะมีสามรายการรายการที่หนึ่งเป็นภรยาของท่านนาบี ม, ามุฮัมมัดสอลตาลอิบราฮิมสองเป็นอุมมุลมุมินีเป็นมารดาของผู้ศรัทธาทั้งหลาย อันที่สามทำร้ายหัวใจท่านนบีบาปใหญ่ที่สุดอ่ยะสุดท้ายนะว่าแล้วละอิสมาตุมุฮุกลตุมายาคุนุละนะอันนั่นกันละมาบิฮะะ ส ُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ و َ ل َ و ل ا إذا س م ع ت م ه ُ ه قلتم ما يكون لنا أن ت ك, ان ك َ ل م َ ب َ ذ ا سُبْحَانَكَ هَذَا ب ُ ه ْ ت َ ا ن ٌ عَظِيمٌ มีลาลาล า, ล า, ล, าลาเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดเราได้ภาษานะฉไนฉไนเล่าเมื่อสูเจ้าอิมตูมูฮูเมื่อสูจอสสอสจเจ้าไดย้ยินเรื่องนั้นมาถึงเรื่องที่ตาําหนิติยังอ้าชาปากปาิยงอ า, ยาเนี่ยกุลตุมฉไนสูเจา้าจึงไม่กล่าวมายากูนุลานาเมื่อไดย้ยินเรื่องตาําหนิ ท่าหญิงอายชาหรือตำหนิใครก็ตามนอกจากหญิงอายชาแล้วเนี่ยทำไมคนที่ได้ยินไม่พูดว่าอย่างนี้อันนาตะกัน ล, ละมหะจึงไม่กล่าวนะครับไม่บังควรที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อะเราเตือนเมื่อได้ยินมาเนี่ยทำไมไม่พูดบ้างไม่ได้เลยนั่งเฉยๆบ้างนี่เราเตือน ถ้าจะพูดต้องพูดอย่างงี้สุบฮานะกะฮะดาบุห์ตาณุนอนัลลมว่าสุบฮานอัลลอฮ์แว่ามหาเบญสูดยิ่งแด่อัลลอฮ์ฮาดาบุห์ตาณุนอัลลมนั่นเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องใส่ร้า ย, ายเป็นเรื่องนินทาเป็นเรื่องดูถูกเกลียดหยาดปักปรมใส่ร้า ย, ายพูดอย่างงี้ออกมาจะปากบ้างไม่ได้เลย คืต้องการจะเตือนคนที่อ่านกุรานว่าเมื่อเราได้ยินเรื่องทันหญิงอาชะาตำฎหญิงอาชาให้พูดไง่ายโกหกอ่านมีเตือนเรานะหรือเป็นคนอื่นเป็นญาติเรานี่นะในหมู่บ้านเดียวกันเขาด่ากันมาผ่านหูเราเราบอกไม่จริงโกหกพูดไว้ก่อนปกป้องเป็นน้องมุสลิมเอาไว้ก่อนดีไหมเนี่ยนี่เป็นมารยาท ท่านคนที่เดินตามอัลกุราอานเอากุราอรานของท่านนาบดของอัลลอฮ์เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละจะสง่างามมากเลยเราจะไม่ตำหนิใครไม่ว่าใครเหมือนครอบครัวของกายนะท่านอายุอันซอรีรดีลล๋ยลรอหนหูคุยกับสามีภรรยาเธอได้ยินเรื่องขออยงอาชาไหมบอกได้ยินเป็นยังไงโกหกต้อพูดอย่างนี้เลย อาจจะนั่น น, นี่เป็นความรู้สําหรับนักเรียนนะทุกคนนะอย่าตําหนิใครยด่าใครว่าใครถ้าได้ยินเรื่องไม่ดีของพี่น้องมุสลิมให้ใจนึกก่อนว่าเรื่องโกหกและต้องนึกเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีเอาไว้ก่อนอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีอย่างที่ปากเขาเล่ามาเข้าใจนะก็ขอรู้เอาต่อร่ำให้เรานําเอาอุป น, นิสัยนี่อย่างน้อยเนี่ยนี่ผู้หญิงไอ้ชาติหมดเลยนะยังไม่หมดนะยังมีอีกนะ เพราะว่าอัลลอฮประทานมาทั้งหมดนนะเท่าไรนะเจ็ดสิบอายะห์ด้วยกันนะครับแตนที่จะสรุปนะสุบสัส้นๆก็คือว่าท่านหญิงไอาชาเนี่ยเป็นพญาท่านนบีคนเดียวนะอัลลอฮอักบารมีบุคคลอยู่สามคนนะที่ถูกใส่ได้ว่าทาซินามีใครบ้างมาบอกมาทิ์ที่แล้วเนี่ยหนึ่งนะบีอะไร นบียูซุฟอะลัยฮิสลามถูกใส่ร้ายว่าทําซินาทําหรือเปล่าไม่ได้ทําเรื่องที่สองนางมารยมที่มีลูกชื่อท่านนบีออซาบอกว่านางไปทําซินามาจะทําเปล่าไม่ได้ทําเห็นไหมอลัลลอฮ์คุ้มครองทั้งหมดแต่ท่านหญิงไอซ า, าอีกคนหนึ่งถูกปรับตั้งว่าทําซินาแต่ทำไหมไม่ได้ทำแต่ชาวโลก ว่าตำหนิว่รารมเห็นยังทีนี้มาดูท่านหญิงไอาชาตัวเดียวลอของอันดูมีความประเสริฐเนี่ยเจรายการนะครับเจดข้อเดีวยวกันก่อนที่ท่านหญิงไอาชาจะทําการนิกายแต่งงานกับท่านนาบีเนี่ยยิบรีนได้ลงเอารูปของนางเนี่ยหอด้วยผ้าไหมมามอบให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลามท่านยิบรีนมามอบให้พ อ, อนบีเปิดดูก็เห็นหน้าท่านหญิงไอาชา นี่แสดงว่าส่งส่งอะไรมานะส่งเฟซจะส่งลายส่งเฟซมาแสดงว่าเฟซจะใครใครใครชายก่อนนบีชายมาก่อ น, นเราหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเห็นยังพวกเราเนี่ล้าสมัยสองภรรยาของท่านนาบีคนแรกเป็นหญิงสาวที่แต่งงานกับท่านนาบีนะหญิงสาวคนเดียวนานนก น, นั้นแม่ไม้ลูกติดลูกติดลูกติด เรื่องที่สามท่านนาบีมุฮัมมัดเสียชีวิตขณะที่ท่านหญิงไอาชาท่านหญิงท่านนาบีเนี่ยนอนอยู่บนขาอ่อนของนางนา ง, นางเลยท่านสามีภรรยาถูกตัวกันได้นะนำนำ น, ำนำมาหนไม่เสียนะข้อที่สท่านนาบีถูกฝังที่ไหนรู้ไหมที่บ้านของหญิงไอาชาเลยพราะมีการเถียงกันจะฝังที่ไหนดีบางคนเสนอว่าฝังที่มักกะ บางคนเสนอว่าฝังที่ท่านนาบีอ่านคุตุบะเสนอท่านนบีอ่านนำน้ำมันหูมีที่ฝังเยอะเหลือเกินมีเสียงออกมาท่านอะบูบกาเป็นคนพูดเองนะตายที่ไหนฝังที่นั่นก็ฝังที่บ้านหญิงอชิชช่าชน o i คนยญิยงอิชชาเลยนะไม่ใช่ของคนอื่นนะครับข้อที่ห้าเพราะว่าให้ยถูกประทานลงมาให้ท่านนาบีมุฮัมมัด ขณะที่ท่านหญิงไอาชากับท่านนาบีอยู่ในพระหม่มผืนเดียวกันโอ้โหเนี่ยบรรยากาศอันยิงใหญ่วะฮีลงมาหาท่านนาบีขณะที่อยู่ในพระหม่มผืนเดียวกันข้อที่หกอันกรุงอ่านถูกประทานลงมารับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอาชาสิบอายะเดวยกันข้อที่เจท่านหญิงไอาชาเป็นลูกสาวของท่านคอลิฟะอบูบากัและอัลลอฮ์สัญญาว่าจะได้รับการอภัยโทษ และรับริสกีเครื่องยังชีพนะครับตั้งแต่อยู่บนดุนยาแล้วอัลลอฮจะให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮสุบฮานะหูวะตาละนั่นนะครับเป็นคนทุลังวันในโลกใบนี้นะครับคนที่มีอัครากดีที่สุดนี่ก็คือคนที่มีาศาสนาถ้าจะให้จะให้เป็นคนดีนะทิ้งาศาสนาไม่ได้ ปฏิเสธศาสนาไม่ได้ต้องเอาหลักการที่มาจากอัลล์นี่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันถึงจะเป็นคนที่มีเกียรตินะอัลลอฮ์ سبحانه และว็ตั๋งละ سبحانه ะก็ลล่าฮุม่าบิฮัมดิการ์ชวละอิลละอิลลอันตะอัสตัฟุกวะตูบบย์อัสสลามุอะลัยุมร์มุลลอฮ์วะบระกต